ขอเจริญพรแม่ชอีอุบาสิกุบาสิกาที่มาร่วมกันศึกษาปฏิบัติธรรมก็นั่งตามสบายนะ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอโัวนิดหนึ่งว่าเนื่องจากตัวกระผมเนตมาเองเอพิ่งบทใหม่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 วันนี้เป็นวันพระนะแรม8ค่ำเดือน8หลังนะตรงกับวันศุกร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราชสอ5รอ่การที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสุโกโตแห่งนี้เนี่ยนะจุดมุ่งหมายของทุกคนนะก็คงจะมาเรียนรู้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 พอเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงนะก็ทำให้เกิดความทุกขนะ์อันเนื่องมาจากเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้หรือไม่เคยได้มาสนใจเมื่อ 3-4 มสี่วันที่แล้วกับผมเนตมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาตนะิที่จังหวัดพิษณุโลกนะก็ได้ทราบว่า เ, เป็นผู้สูงวนะัยอายุ ป, ประมาณ8ป ปีกว่าละนะก็พอดอีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าแหวนนะเป็นแหวนแห ว, วนพลอยนะที่เป็นของเก่านะลูกสาวทำหายเขนะ้าใจว่ากว่าทิ้งขยะไปไนะแล้วก็ใส่สร้อยก็หายนะก็เสียดายเป็นของเก่านะคนอายุ80ดิก็ยังเสียดาย ของหายเนี่ยขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะพวกญาติมิตรก็รู้สึกว่าเอเป็นห่วงกันเดี๋ยวกลัวจะไม่สบายกลัวจะป่วยนะก็ถือโอกาสมิ ม, มนตวกับผมนิตามานะไปพูดคุยให้สตินะเพราะว่าคุ้นเคยกันนะไปคุยกันให้ความรู้สึกตัวนะให้สติกับคืนมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ไปช่วยได้นะในบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงหมดสิ้นทีเดียวนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ชี้เห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อไปยึดติดกับวัตถุภายนอกนะของที่มีค่ามากๆเนี่ยนะบางทีเราก็ลืมดูสิ่งที่มีค่าก็คือใจที่เป็นปกติในตัวเรานะเราไปให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของภายนอก นะมากเกินไปนะจนทําให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยไดนะ้นี้มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของกายและใจเนะี่ยเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนนะในส่วนของกายเนี่ยเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ความสําคัญอยูนะ่ก็คือดูแลไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนะมื่อหิวก็กินให้พอเหมาะพอดี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 ด้วยวิธีการใช้ลมหายใจน่ะเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือน่ะก็คือที่เรียกว่าอานาปนาสตินั่นเองซึ่งการฝึกอานาปนาสติเนี่ยน่ะก็ทําให้มีจิตใจที่สงบน่ะมีปิติน่ะจากการนั่งหลับตาแล้วก็รู้เท่าทันน่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกน่ะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวกระผมฤทธรมาเองนั้น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 ยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะกนะารเดินจงกรมนะตรงนี้ในเบื้องแรกเนี่ยตัวกผมเรตมาเองก็ไม่เข้าใจนะและยิ่งไปอ่านหนังสือไรๆเล่มเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าการฝึกพิปัญนาเนี่ยนะต้องเข้าไปดูใจนะที่มันคิดมันนึกนะมันคิดมันนึกอะไรก็ให้รู้ให้ตามให้ตามไปดนะูตามไปดูจนมันจบ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 โชคดีว่ามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนท่านลงไปช่วยหลวงพ่อเทียนนะจัดอบรมที่วัด ส, สนามในนะแล้วก็ในระหว่างการที่เราฝึกอยู่เนี่ยนะก็ได้มีโอกาสเรียนถามท่านแล้วก็ได้เล่าอาการให้ท่านฟังนะว่าเราเจริญสตินะเราดูจิตดูใจเราตามความคิดไปนะแต่ทําไมมันมึนหัวนะมันไม่เกิดความ โอ่งโล่งนะมันไม่เข้าใจนะหลวงพ่อความเขียนก็บอกโอ้ไม่ได้แล้วนะอย่าพึ่งไปทำอย่างงาั้นนะอย่าพึ่งไปดูความคิดอย่าพึ่งไปดูจิต ด, ดูใจนะให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันจะคิดมันจะนึกอะไรอย่าพึ่งไปสนใจมันนะให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะจากตรงนั้นจากคาพูดตรงนั้น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 เคยเครียดเคยมึนเนี่ยมันหายไปเลยมันโล่งขึ้นมาโอ้ตรงนี้นี่เนาะที่เราเอา่อเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็ไปตรงกับมาหสติปัฏฐานสูตรนาที่เริ่มต้นที่กายานุปัสนาสติปัฏฐานนะแต่ก่อนนี้เราไปดูจิตเลยนะเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเล่นกระโดดข้ามขั้นไปเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ทําให้เราพัดหลงได้ง่าย เมื่อมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวชัดเจนตรงนี้จะต้องทํำบ่อยๆจะต้องทําเรื่อยๆนะจนมันเป็นนิสัยนะมันจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาชัดเจนความรู้สึกตัวที่ชัดเจนในตัวกระปุมเรตมาได้พบเมื่อตอนปี2525นะตอนนั้นไปบวชอยู่กับหลวงพ่อเทียนณนะที่วัดโมกนะช่วงนั้นก็ฝึกกัน อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ได้บวชเนี่ยก็เป็นเวลานะที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะแต่ละวันเนี่ยกิจสำคัญหรืองานสาคัญที่เราจะทำก็คือเรื่องกรรมฐานงานส่วนรวมก็มีส่วนที่เราจะทำนะการคุกคีก็มีน้อยนะในสมัยนั้นนะส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างปฏิบัติกัน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 เออมันกลับมาได้เรารู้สึกกับลมหายใจที่เกิดขึ้นชัดเจนนะหายใจเข้าหายใจออกหรือแม้แต่ลมเย็นๆที่พัดมาถูกผิวหนังเราก็เออมาสัมผัสกับตรงนี้อาหารการกินที่แต่ก่อนเราเคยกินไปคิดไปนะเราไม่ได้สนใจเรารีบๆกินไปเคี้ยวไปให้มันหมดหมดไปเท่านั้นเองนะ่ะก็เริ่มมาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นะ่ะเราเคี้ยวเราลิ้มรสเราสัมผัส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 รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ก่อนเราไปอยู่ในความคิดซะเป็นส่วนใหญ่เราไปคิดถึงอดีตพรุ่งนี้จะทำอะไรหรือบางทีก็ย้อนระลึกไปถึงอดีตบางทีคิดไปถึงอนาคตว่าเราจะทำอะไร เ, ออเราจะบวชอยู่นานไหมเราจะต้องไปทำอะไรนะแต่พอเรามามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอดีตอนาคตมันก็มีแต่เราไม่ได้ไปสนใจมั น, นไม่ต้องไปวางแผนล่วงหน้ามีชีวิตอยู่ไป วันๆหนึนะ่งประเชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ปรปับปรุงแก้ไขไปจากการที่เรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆทําบ่อยๆ ท, ทำเรื่อยๆความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแรกๆเนี่ยอย่าพิ่งไปสมใจถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆความรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ยมันจะมีอำนาจที่จะไปต่อรองกับความคิด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 นะ่เป็นกำลังสำคัญนะ่ะที่จะทำให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเพระาะฉะนั้นคนที่เคยหนักหัวคนที่เคยเครียดเนี่ยเมื่อมาได้ฝึกอย่างนี้เนี่ยก็จะสัมผัสนะว่าเออใจมันเบานะ่ะใจที่เคยหนักก็เบานะตรงนี้เนี่ยก็ได้เครื่องมือแล้วนะเมื่อเรากลับไปสู่โลกนะเราก็ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะ่ะเป็นส่วนที่เราจะเอาไปใช้นอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วนะ่ะ ก็ควรจะมีความรู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตประจําวันนะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะตื่นมารู้สึกตัวกระดิกมือกระดิกเท้านะค่อยๆลืมตาล้างหน้าล้างตาสัมผัสกับความเย็นของน้ําแปลงฟันนะด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเราเคยแปลงฟันไปคิดไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเช้านี้จะต้องไปทําอะไรอันนั้นอันนี้นะ แต่พอเรามารู้สึกตัวกับการแปลงฟันเนี่ยใจเราก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวนะยังไม่ต้องไปคิดโครงการอะไรทั้งหลายนะมาไหว้พระสดมน่นะถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดีเนี่ยหลังจากเราทำวัดเนี่ยใจิตใจมันรู้สึกสบายโปร่งโลง่งนะอันนี้ก็เป็นเป็นสภาพของออสตินะที่เราจะสังเกตได้นะจากชีวิตประจำวันของเรานะการฟัง นะด้วยสตนะิก็จะได้สาระนะได้ประโยชนนะ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยจนถึงการไปขบฉันนะการดื่มกา ร, ก, ก, ารากินการขับถ่ายแม้แต่การขับถ่ายเราก็จเจริญสติได้นะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะจปะปัสสาวะอุจจาระนะเราก็มีความรู้สึกตัวนะมันก็จะทําให้ทําอะไรพอเหมาะพอดนะีไม่เกินไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วเนี่ย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 ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอคุณพระศรีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะที่มีอยู่ในตัวเรานะก็คือความรู้ตื่นเบิกบานที่มีความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสกโตได้เรียนรู้นะเรื่องของการเจริญสติได้เรียนรู้เรื่องของตัวเราเองนะได้ความเพียรพยายามของทุกท่านเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบพบเห็น